ยังข้าวนานหนาว <c oughs> อากาศหนาวยึงสบาย <c oughs> หมอกนานห น, า, หน า, าวภาวนาดีในตัวเราคนที่ไม่ชอบภาวนามันก็บอกไม่ดีมันก็อ้างทุกฤดูเลยรู้หนาวก็ไม่ดีรู้ร้อนก็ไม่ดีรู้ฝนก็ไม่ดีเลยไม่ทําสักฤดูเลย เป็นคออาคนขี้เกียจหน้าหนาวทำให้กายรูปร่างกายของเเย็นมาระหว่างสุขภาพมันจะไม่สบายกายเย็นกายเย็น้ยยนไม่ดีแล้วใจเย็นไม่ดีใจเย็นคือใจดับ ดับความสับสนวุ่นวายที่สัญญาอารมณ์รับมาทั้งวันแล้นเราไม่นับดูด ว, วันวันหนึ่งท่าสมมุติประสิงที่มาเข้ามาในใจของเราไปมีของสุกพกผ่านไหมผ่านมาผ่านเข้าผ่านออกเหมือนรถ ขับทุกวันแล้วไม่ล้างไม่ทําความสะอาดไม่เคยทำความสะอาด เ, เลยเหมือนกับใจเราคิดไปเรื่อยปยสารพัดโดยที่เราไม่ได้ล้างใจเราเลยเคยไม่ทําความสะอาดใจเราก็มีต่สิ่งเหล่นี้สุดท้ายก็มีแต่เครื่องซ่อมมองอยู่ในใจท่านพิเศษเรียกว่ากิเลส ท, ที่ปเป็นแบบเครื่องซ่อมมองคือทําใจมันซ่อมมอง นั้นจิตเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าคนทําแล้วไม่ทําก็ดีก็คือเป็นหลักการว่า <c oughs> ในทางปฏิบัติพ <c oughs> ูดง่ายๆคือสำหรับเราที่จะนับต่อไปคนที่จะนับสองสามได้คือเริ่มตน้นคือตัอนับหนึง่งทุกคน เพราะนั้นเราจะไปคิดว่าออการเริ่มต้นนี้พื้นฐานมันเสียเวลาโมาจะเป็นนับหนึ่งอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนสักทีแต่ตรงตันเลืว่าถ้าเราไม่นับหนึ่งเราจะไปยังไงสองสามสี่ต่อไปอยังไงในขณะที่คะแนนหนึ่งตัวนี้ อ, อันมกีครั้งเดียวต่อหึงร้อยเดี๋ยวก็ร้อยหนึ่งร้อสองสามันก็เร่อหนักอีกซ้ำกับอกี ก, อกนะอันนี้คือแบบตัวเลขตรงข้ามถ้าเป็นธรรมธรรมก็เหมือนกับการนับตัวเลขก็เหมือนกับโลกอยู่แบบโลกคือนับหนึ่งสองสามสีร้อยพันแสนล้านไปเรื่อยๆนี่คือโลกเขาจะอยู่กันอย่างนี้ อารมณ์ของโลกแต่อารมณ์ของธรไม่ใช่นับยอ้อนกลับถอยหลังจากร้อยเก้าสานจนสุดท้ายเหลือหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งที่สําคัญสุดท้ายเป้าหมายจริงๆคือหนึ่งถ้าอยู่แบบร้อยพันแสนล้านคือโลกอะก็แปลว่าอารมณ์ของเราที่มันตะเลิดเปิดเปิงไม่รู้กี่ร้อยพันแสนล้านความคิด ตันสัญญาอารมณ์นั่นคือโลกมันจึงเรียกว่าสังขารโลก<ฮ>สังขารมีสองอย่างคือสังขารโลกกับสังขารธรรมสังขารโลกก็คือปรุงแต่งเรื่องของโลกอะไรที่มันชอบมันพอใจสินดีหน้าที่การงานบุคคลอะไรก็แล้วแต่ปรุงแต่งไปเรื่อลๆอันนี้มือนนับตัวเลขหนึ่งสามสี่ก็เลยไม่มีวันสิ้นสุด ในสังขารโลกสังขารธรรมนี่โอปนาจิโคยอดมองว่าตัวเองสุดท้ายเหลืออารมณ์เป็นหนึ่งคือเอกะตารมก็คือหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยอย่าไปลืมพื้นฐานที่ครูบาอาจารย์ขงเรานำไว้แนะไว้ โดยเาะลงปูลงพ อ, อเวลากร น, นั่งสมาธิก่อนใดท่านจะวักมารดิา น, นเอาอารดิธานจิตเริ่มต้นเพื่อเรียกสติให้มาอยู่กับตัวให้มากที่สุดยังไม่ต้องพู ด, ดูธรรมสุสกุลใดทั้งที้าจจสดูดใจดูดใเองจัดท่าให้มันเหมาะสม คืออยู่ได้นานสบายมันเรียบร้อยก็อย่างที่เราทำอยู่แล้วเตรียมตัวนี่เรการเตรียมตัวต่อไปเป็นอนุสติ ค, คือหารรึกเป็นอนุสติก็คือใจสาระคมนั่นเองเนี่ยคือนี่คือวิธีเข้าถึงใจสาระคมโดยการเปลง่งแต่นี้เร า, านั่งเราไม่ต้องเปลง่งนกเอา หนึ่งก็คือพุทธคนสองธรรมคนสามสามังคนพุทธคนก็คือวพระอันเองที่เรากราบทุกวันนีเคอาลางตมาสมุทโธปกาพุทธังปักวันตังริวาเทมิกพระพเจารากราบพาระพจา า, าควรู้ึกคนของพระพิจาบบาสอง นักถึงพระธรรมโดยบทวันสวากาโตซึ่งเราก็ได้อยู่แล้วเรื่องถึงผสมกับสุปฏิปนันโนไปในประเด็จุดแล้วยังไม่พอสอนจิตย้ำก็ไปเอว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นที่พึ่งได้จริงโดยการกล่าวว่าพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา ธรรมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราจากนั้นเอาโ ย, โ ย, โย่อๆพันนามสัน้นๆก็คือพุทโธธรรมโมสังโฆจากนั้นค่อย อาศัยสามคำสามอย่างคือคำบริกรรมคือการนึกลมหายใจแล้วก็สติคือการดูตัวสามอย่างให้มันสามัคคีกันการนึกก็คือคำบริกรรมมันคือพุโทโธนั่นเองนึกเข้าพุทพอพุทโธให้มันนานๆยังไงก่อนก็ได้ สองคำหนดลมหายใจกำกับตามด้วยในนณาที่พูดก็สูดลมหายใจตามเลย่อยดออกว่าโท่ปล่อยปล่อยให้เป็นธรรมชาติเราพูดสันส้นๆโทสั้นๆจะเป็นยังไงคือหายใจเข้าสัน้นพดทหายใจออกสัน้นโธอย่างนี้มันคืออัดมันไม่สบายแตงไม หายจจะเข้าระดับกลางๆอาจจเข้าพุทธหายโ อ, โอโทูมันสบายมั้ยแต่ถ้าไม่สบายหาจจเข้ายาวันนั้นอีกให้เข้าพุทหายโอให้มันเป็นธรรมชาติดูสังเกตพุทธลมหายใจสติสามอย่างดูตรงไหนปลายจมูก ก็คือที่ลมเข้านั่นแหละสังเกตที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าละเอียดหยาบกลางให้รู้แต่ถ้าเรานึกเป็นฐานก็เหมือนคราที่แล้วพูดให้ฟั ง, งคือปลายจมูกหนาา้าปากกำมองโลหิตสษะแล้วก็สวงอก ค่อยๆทาทีละอย่างทีลอย่างกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนมันนั่นจนสุดท้ายจนชำนาญวันนึกทีเดียวส่วลงลมหายใจก็ผ่านถึงส่วนกอกก็อยู่เลยอยันี้ทําความรู้สึกตัวควาเรารู้สึกตัวแคล่ลมไปทั่วร่างกายหายใจเข้าผ่านจมูกมผ่านปากจนถึงหัวลำจนปลายเท้าแล้วก็ออกไปหัยอดกลับมากลับไปกลับมาจยนี้ว่นเล่นลมการทําอย่างนี้มีประโยชน์ เดี๋ยวาะอย่านนี่คนพูดนี่เคยเล่าพวกเราฟัง ก, ก่อนที่ป่วยหนัหนกๆเรีย <c oughs> กว่าปางตายเวทนามันกลากลามากๆใส่ยาสลบยาชาก็ไปเพื่อสองกล้องกวไปแล้วออกมาก็ไม่เห็นอะไรตามก็พร่าลมก็บางสักจะหมด ในขณะนั้นในความรู้สึกมันบอกมันบอกคือมันรู้ขึ้นตัวภายในว่าถ้าปล่อยลมก็คือตาย <c oughs> แต่ตอนนี้นยังตายไม่ได้ยัง <c oughs> มีวารกิจที่ต้างรับผิดชอบมไม่ได้ควรตายแต่ว่าตายไปแล้วคนที่อยู่ข้างหลังลำบากอธิษฐานเจดว่า <c oughs> ถ้ามีชีวิตยอยู่ต่อไป แล้วเป็นประโยชน์จากธานะต่อบุคคลสมณะพระเนรคารวัตราจงคุนอื่นๆมันก็ควรจะอยู่เพื่อยังประโยชน์เหล่านั้นให้สำเร็จพีายามกำหนดสุดตามันก็ไปแล้วโหก็ไปแล้วในขณะที่เงือท่วมตัวอากาศ่องแอร์เยนๆเงือมันท่วมตัวไปหมด จากที่กหนดลมหายใจเล็กๆมันได้สุดท้ายไม่ได้ลมหายใจเข้านิดเดียวมันไม่เข้าแล้วหายใจออกนิดเดียวมันไม่เข้าพวกเราลองทําดูคือหายใจเข้าสักเดียวเรากดออกไปหายใจออกไปมันอยู่อย่างนั้นเรียกว่ามันปั่นปวนไปหมดหายใจเข้าไม่ได้นิดเดียวเอง หายจะออกนิดเดียวเองคือกำหนดไม่ได้เลยลมรู้เลยว่าลมพัดลงเบื้องต่ำเป็นยังไงมันก็จะออกข้างล่างลมพัดขึ้นเบื้องบนมันจะไปรู้ชัดเจนว่าลมมันแบ่งกันอย่างนี้เพราะนั้นเวลาคนตายเนีเลือดที่มีอยู่ลมมันจะจะขับไปดางทวานคือช่อง เรืเ่องหมอเ้ยพยาบาลเฮ้ยต้องปิดเมื่มันจะไหลออกอันนี้คือลมมันจะดันออกคือลมพัดเครื่องบองบนอันนี้เราเคยเท่างเคยสวดเป็นประจําประจําเจอเขาจริงไม่รู้มันอยู่อย่างนั้นนการเรกันหมนอถ้าปล่อยลมมาปลายแล้วเส้นเลือดตึงหรือกว่าปูนนูนออกมาชัดเจนพูดได้ยิน เสียงรำนาพู้นี้ได้ยินหมดแต่ไม่ตอบตัวไม่ได้ก็กำหนดลงมาใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันคงใะญยาก<ม>ก็สู้อยู่อย่างนั้นกับอาเวทนาตอนนั้นห้าชั่วโมงกืนํำลายยังไม่ได้เกินทำลายยังไม่ลงในเห็นหมะ อันนี้สงหรือพ่นโยดกำลมหายใจไม่ใช่ธรรมดานะมัน ม, มากจัจจ์มากๆลมถ้ายังอยู่เนี่อื่นๆมันก็อยู่ตามไปด้วยเด่นน้ําไฟลมร่างกายก็จะอุอน่นในขณะนั้นร่างกายก็เย็นถ้าทั้งทั้งทีลมอยู่เพราะฉะนั้นคนตายเมื่อหมดลมหายใจแล้วจะเย็นลองลองไปจับดูร่างกายจะเฉียบเหมือนอยู่ในห้องเย็น เห็นไมนี่คือความมหัสจัจร์ความยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าที่เอาลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ชัดเจนถ้าไม่เคยกำนัดลมไม่อยู่กับลมไม่ฝึกกับลมมาก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนตายไปแล้วคนพูดเนะ่ยคงไม่มีอย่างนี้ เ, นเพราะร่างกายกระดูกกรเรี่ยวไม่ไหว จะขยับตัวก็ไม่ได้คือคือหมดคนง่ายมันมีเรี่ยวไม่มีแรงแ ข, น, ขน้าเจนเจ็บห้ามกันไปจนจุดท้าเมาให้น้ำเกลือนั่นนี้ดยก็ตัวเองก็ฟืน้นขึ้นมาเริ่มดูตัวนโอ้ลมมันเป็นอย่างนี้ะอะนั้นก็เป็นอุทาหอนสอนเตือนใจพวกเราทั้งหลายว่าขณะที่เรายังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เนี่ย พยายามดูลมใช้เราไม่เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดเนี้ก็เลยพาังหลัลงๆเน้นเรื่องลมหายใจสติพุโถเพื่นเป็นอารมณ์เดียวลมซ้ำอยา่างถ้าเราทําอย่างนี้กําหนดให้มันเข้าใจเดี๋ยแล้วมันจะเข้าสู่ฐานขมีคือส้วงอกนี่แหละเมื่อมันอยู่เป็นอารมณ์แต่อันเดียวเป็นอันหนึ่งแล้วก่อนนั้นนั้นอย่าเพิ่งไป ปรุงไปแต่งนั่นนี่นูนอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่กับลมหายใจสุดท้ายลมหายใจคำบริกรรมทุกอย่างมันก็จะหายไปรห้ือแต่การรู้ตัวคือรู้ตัวเราคำรู้ตัวอธิบายให้ผู้ได้เราฟังอยู่เสมอว่าโอ้อการรู้ตัวนราสำคัญ ทุกวันเราไม่เปนการรู้ตัวเราจรึงพลังเผลอทําไปตามสัญญาอารมณ์ที่เราคิดได้พูดได้ทำได้นึกได้ตามความเคยชินเช่นความโลภความโกรธความหวังเกิดขึ้นมาก็ตามมันไม่เคยปิดไม่เคยกั้นไม่เคยห้ามอะไรเลยไม่เคยรู้ว่าอันนี้โกรธอันนี้โลภอันนี้หลงเนี่ยจิตมันไม่อยู่ไม่มีอารมณ์เป็นอันเดียวคือพู ด, ดได้ให้อมันส ง, งบ จากการที่รู้ตัวเสร็จแล้วมันจะเกิดตัวรู้อก็คือพุโทโธนั่นแหละจะเรียกคำไงแล้วแต่เกิดด้วยตัวรู้ท่านจึงเรียกว่าธาตุรู้ถ้ารู้เกิดจากใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วมัดทั้งแปดเรียกว่ามัดมีองค์แปดไม่ต้องไปแยกว่าไอ้นั่นเป็นสัมมาทิฏฐิอันนั้นเป็นสมาสัารคปรสมาวิมัชย์จ ไม่ต้องเป็นนึกไมนต้องไปยังไม่ต้องไปแต่มมันเป็นศิลป์ในภาคปฏิบัติโดยสมบูรณ์แต่ว่าเมื่อขึ้นต้นแล้วท่านจะเอาปัญญาเป็นตัวนำเห็นไหมสมาธิที่ตัวปัญญานะ่สมาธิสมาสมาธินู่นสมาธิอยู่ข้างล่างเอาปัญญาขึนก่อนแต่นั่นแปลว่าต้องจิตเป็นสมาธิจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งก่อนนะนี่เกิดปัญญาเมื่จิตอารมณ์เป็นหนึ่งแล้ว พูดงายๆจิตมีกำลังจิตมีกำลังลักษณะเป็นยังไงมัดมีองแปดถ้ามันเกิดพร้อมกันเมื่อใดอาณาสงของมันลักษณะคลาคค้ายคนแปดคนสต่วมัมีท่อนไม้ท่อนเสาท่อนหนึ่งถ้ามัดแปดมันไม่สามัคคี คือไม่ทํางานร่วมกันก็คือเส้นสมาธิปัญญามันไม่ได้อยู่เป็นอันเดียวกันเป็นอันหนึง่งเอวาเอไกนามันมันเหมือนกับต่างคนต่างยกลองดูเสาต้นไม้อะไรแล้วแต่แปดคนเนี่ยแล้วก็ยกกันคนทีคนนั้ยกคนทีคนนี้ไม่ขึ้นตัวให้ยกกันนั้นมีอะไรมีการก็ไม่ขึ้น แต่ถ้า8ดคนเนะี่ยนับหนึ่งสองสามพร้อมกันหนึ่งสองสามยกขึ้นพร้อมๆกันของหนักก็กลายเป็นของเบาทางร่งนี่กําลังมันก็เหมือนเดิมแต่ละคนก็นมีกําลังเท่าเดิมไม่ได้มีกําลังเพิ่มเติมมาจากไหนแต่เนื่องจากมันสามัคคีกันพร้อมกันนะจิตหรือว่าอาการนจิตที่มันสงบมันเป็นลักษณะอย่างนี้ ถ้าจะถามว่าพุทโธรมหายใจสติมันหายไปตอนไหนมันก่อนหรือหลังไม่มีครูบาอาจารย์ท่บอกว่ามันเกิดขึ้นไม่ก่อนไม่หลังถ้าใช้คำอย่างนี้คือมันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ว่าก่อนมันจะเกิดพร้อมกันนั้นไม่ใช่ธรรมดา ปัองทรมานทรมานจิตทรมานกายตัวเรานี่ทรมานจนมันได้ที่ถ้าเรานึกไม่ออกเราหนุกถึงปุกกมีดปวกพราปวกอะไรก่อนที่จะปเป็นมีดเป็นพราก็ทำยังไงเอาเหล็กไปเผา ก่อนที่เหล็กไฟเผาก็มันก็มีเชื้อพูดง่ายๆคือไฟคนเราต้องมีไฟก่อนนะสมเปิลไฟคือความเพียรเฟื่อนไฟนั่นคือความเพียรเรีว่าอาตาปีแปลว่าความเพียรยังกิเลสให้ร้อนคือต้องเผากิเลสก่อนแล้วค่อยตีเหมือนมีดเหล็กนะ เมื่อเผาเหล็กเต็มที่แล้วมันได้ที่ออกมาตีเหมือนช่างตีเหล็กตีมีดตีอะไรแต่ถ้าเราเผาใดที่เอาหมวากข้างนอกอวา ง, างโดยไม่ทําอะไรเลยคือไม่ตีในขณะที่มันร้อนๆมันเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้พอเย็ น, นมันก็เหมือนเดิมเะวันตีต้องตีร้อนๆเพราะฉะนั้น กิเลสหรือความรู้สึกอกันใดก็ตามถ้าอะไรเกิดขึ้นก่อนจับตัวนั้นตีในขณะที่มันร้อนเหมือนกับตีเหล็กให้เป็นเม็ดให้เป็นพระตีบ่อยๆทุบบ่อยๆสุดท้ายมันก็จะได้รูปร่างมืได้รูปร่างเป็นที่ต้องการ แล้วเป็นมีดเป็นผ้าเป็นดาบเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาไปใช้เป็นประโยชน์คือฟาดฟันจิตนี่ก็เหมือนกันหมดทุกตีได้ทีแล้วจิตมันก็จะเกิดปัญญาก็เหมือนกับอาวุธนั่นเองที่เอาไปต่อสู้กับกิเลสคือฟาดฟันกับกิเลสถ้าอาวุธคนไหนคม มันก็ฟันเกล็ดได้เร็วอาวุธคนไหนทื่อมันก็ฟันได้ไม่มากทำไมมันถึงทื่อเพราะเราใช้บ่อยนั่นก็แปลว่าจิตมันสงบแล้วเราก็ใช้ความสงบอยู่มัคือใช้ปัญญาแช้ความสงบเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับมีดทําประฟันฟันฟันเดียวต้าเอาไปผลใหม่เอาไปตีใหม่ แต่ว่าเครื่องผลของปัญญาก็คือรูปร่างกายท่าสีขันธ์ห้านี้เป็นหินรับไม่ถ้าเราไม่ใช้รูปร่างกายคือท่าสีขันธ์ห้านี้เป็นเครื่องรับเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาของเราก็จะไม่แหลมไม่คมเหมือนอาวุธถ้าเราใช้บ่อย สติปัญญาที่เรามีอยู่มันก็จะแหลมมันก็จะคมมันเหมาะกับต่อสู้ประหัตประหารกับกิเลสที่มันมีอยู่ก็คือสิ่งที่มันนึกคิดปรุงแต่งสองทางดังกล่าวก็คือถ้าเป็นทางโลกก็คิดแบบโลกโลกอันเรียกสังกตฏธรรมไม่มีที่สิ้นสุดคิแบบธรรม เรือสังกัตธรรมทําแบบเรื่องของทางธรรมสุดท้ายทั้งสงทั้งสองอย่างนั้นก็เรียกว่าสังขารคือยังปรุงยังแต่งอยู่เมื่อจิตมันนิ่งมันเข้าใจมันวางธาตุขันธ์อาจตนะที่มีอยู่ในตัวเราเลยทั้งหมดธาตุคือธาตุดินน้าไฟลมอาจตนาะคือต่อที่เชื่อมตางหูลูรุกาย อารมณ์สัญญาที่มันจํำได้ตามสัญญาอารมณ์เรียกง่ายๆว่าสัญญาอารมณ์คือความจําจําอะไรจําโลกจำเวทนาจำอะไรอยู่แล้วมันเป็นสังการคือปรุงแต่งจิตมันทำธรรมชาติของมันมันก็จะเป็นอย่างนี้การตดนของมันแต่นี้ถ้าจิตมันไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาปรุงมาแต่งมันอยู่กลางกลางมันเฉยเฉยมันว่าง เรียงไม่เอามาปรุงไม่เอามาแต่งจนชำนาญเราสังเกตเวลานั่งถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าจิตมันไม่เอาวุตโธคือปล่อยไม่เอาลมหายใจคือตัวรู้มันเหมือนกับถ้ามันวางจิตมันว่างมันวางเหมือนกับตัวคนเดียวมันเบาเหมือนนั่งอยู่คนเดียวในโลก สุดท้ายธรรมลึกกไปจริงๆเมัอนไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีตัวไม่มีตมนตตแต่ว่าถ้าจิตรอยู่ลักษณะนี้มันก็ยังเป็นอยู่มันไม่มีรูปก็คืออารูปนั่นเองคือไม่มีรูปแต่มันเป็นรูปละเอียดละเอียดมากกว่าที่เราคิดเพราะนั้นเอาแค่รูปหยาบๆเนี่ยเราจังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็ใช้มันไม่ได้เกิดประโยชน์ ไม่เคยประโยชน์เลยเพราะว่าเราไม่เคยยกขึ้นมาพิจารณาให้เข้าใจอย่างต้องทแท้ค่ว่าพิจารณาไม่ได้เปรียวันนกตัวเองคิดตัวเองปรุงแต่งเอาเองอันนั้นมันมีปรนึกไม่ใช่ีปรสัสนาปรัชนาคือร้างกากที่ใจเราเกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิท่านเรียกว่ามีความรอบรู้ในกองสังขารด้วยปัญญา กองสังขารก็คือห้ากองนี่แหละก็คือขั น, นห้าเลยต้องมีความรู้ในขันห้านี่คือห้ากองด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสัญญาซึ่งปัจจุบันเรารู้จักสิ่งนี้ด้วยสัญญาคือจําเช่นรูปเวทนาที่กันรูปเป็นนิสเซียงเป็นนี้กลิ่นเป็นนิรสเป็นอย่างนีง้อันนี้คือสัญญาไม่ใช่ปัญญา ถ้ามันรู้ด้วยปัญญามันจะตั้งเข้าลักษณะทํานองนี้คือจะตัต้งเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคล้ายความกําหน่ำสลดสังเวชหรือว่าเกิดสังเวช ท, ทำขึ้นมาในรูปร่กายนี้จะเป็นของเราของเ ข, งขงกาก็ตามที่ปรากฏขึ้นมามันต้องเป็นไปแลลักษณะอย่างนี้ซึ่งปัจจุบันมันตรงกันข้าม จิตเราเห็นสิ่งนี้แล้วเรายึดเราถือเราชอบเราชังกับสิ่งเหล่านี้จิตมันก็กลายเป็นความผูกพันผูกมัดแต่ถ้ า, าปล่อยละวางเหมือนกับคําพูดคําจาความนึกคิดปรุงแต่งของเรานี้คิดอยู่เรื่องเดียวเยวช่นเรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีของไม่ดีคนไม่ดีคนนั้นคนนี้คนคค 3, 3, 3, นี้ก็คิดซ้ำๆๆอย่านะี่มันกลายเป็นผูกเป็นมัดอยู่อย่างนั้น แล้วมันก็จะจําแต่จําไม่ดีอ่ะเพราะจิตไม่บางก็ตรงกับข้าท่าน ม, มันจําเออมี่เป็นดีคนดีแต่เราเราใจมันจินดีมันก็เป็นโทษทำคู่อ่ะเพราะยังไจ ง, ง, งจิตคนยึดนิดออกจากคู่ซึ่งตรงกับข้าพระธรรมคือจะต้องปล่อยเมื่อจิตมันปล่อยสิ่งเหล่านี้จิตมันก็จะเป็นอิสระไม่มีอะไรมาชี้นําคือ ไม่มีขีเล็ตัณหาราคะมรณะเทติเป็นตัวชี้นาให้เกิดความอยากความต้องการก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นมันไม่มีจิตมันวางสิ่งเหล่านี้อย่างนี้จนสุดท้ายจิตมันวางขันอยู่คือธาตุสี่ขันห้าที่มีอยู่จิตมันก็จะวางลงได้คือทําใจได้ มันเข้าใจว่าเออมันก็เป็นกล่องๆๆมันก็เป็นส่วน ๆ, ๆมันก็เป็นชิ้นๆชิๆ้นๆเหมือนรถยนต์ที่มันวิ่งได้เพราะมันประกอบกันถ้าแยกออกมาปเป็นชิ้นส่วนมันก็วิ่งไม่ได้ร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกันนี่คือการหรือภาษาโบราณภาษาวาจานนันเขาบอกว่าม้างภาษาอีสานเขาบอกม้างก็คือหรือมันในวิชานี้ท่านเดียวร์วิชาม้างกาย คือรื้อกายออกมาแล้วประกอบใหม่รื้อแล้ประกอบประกอบไปรือครื้อแล้ถอนถอนได้รื้ออยู่อย่างนี้ให้มันชำนานจนกระทั่งจิตมันรู้หลักการเป็นระบบโมหะถ้าวันใดวันหนึ่งจิตมันมาอยู่กับร่างกายนี้แล้วคือมันถอนออกจากร่างกายนี้แล้วมันจะไปไหนมันจะอยู่อย่างไงซึ่งบุคคลทั่วไปคิดไม่ออก คิดไม่ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขารจิตที่มันพ้นที่มันไม่คิดหรือมันคิดนอกเหนือไปจา ก, กสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าวิสังขารก็ไม่ต้อไปจำเพราะจิตมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้คือมันพ้นจา ก, กสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าเหนือสมมต สมมติก็คือเราสมมติตั้งแต่เกิดสมมติว่าผู้หญิงสมมติว่าผู้ชายสมมติว่าพ่อแม่ลูกหน้าที่การงานรถที่มีอยู่เห็นไหมเกิดความอปุปาทานขึ้นมาจา ไ, ได้หมายรู้แล้วก็ยึดรถที่เคยขับที่เคยขี่เมื่อก่อนอยู่บริษัทห้างร้านเอาเงินไปแลกมาเป็นของเราปล่อยไม่ได้แล้ว ก็จะยึดถติดคือได้อะไรมาก็ยึดได้อะไรมาก็ถือนี่คือจิตที่มันไม่ชฉลลาดหรือว่าจิตไม่ปล่อยวางทุกเรื่องที่มาเป็นประกอบร่างกายของเราเสื้อผ้าอุปกรณ์อื่นเครื่องประดับทั้งๆที่มันอยู่ข้างนอกแต่จิตเนี่ยมันบอกว่าของเราของเขานี่คืออัตตา ย่เข้ามากัะตาถ้าผู้ใดมีลำบากมันจะถือมันจะถอนออกไม่ได้ยิ่งถือมากยิ่งลำบากมากถือตัวถือตนถือเราถือเขายิ่งหนักถ้าผู้ใดปล่อยผู้ใดวางคือใจมันปล่อยมันวางเสียเหรอนี้เหมือนก็เสื้อผ้าสมมตมันหายไปแล้วเออจำมาเถอะ มันหามไปแล้วก็ซื้อมาใหม่มันหายไปก็ซื้อมาใหม่ก็จบนะแต่ถ้าจะเอาเรื่องให้ได้ในระดับมันะจิตมันไม่ว่างที่หนักก่อนั้นคือรูปร่างกายเพราะมันจำจำมาตั้งแต่เกิดจำจิตจำความได้นี่อุปาทานนี่คือเชือ้อเชื้อที่เราให้มันกำเกิดอีกให้เป็นอย่างนี้อีก เพราะนั้นท่านใจมันไม่เป็นปัญญาไม่เกิดปัญญามาได้แค่สัญญาสัญญาสัญญาสัญญาเราก็ลําบากเพราะสัญญานี่แหละถ้าไม่มีสัญญาเมื่อไหร่สบายนึกถึงข้อผูกมัดเวลาทําธุรกิจการค้าทั้งหลายเลยจะต้องมีสัญญาสัญญาว่าจ้างส่ญญาสัญญากู้ยืมสัญญาอะไรก็เถียงคำว่าสัญญาเห็นไหม โลกเขาใช้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะต่างลงชื่อใครคุ่กูก้คู่ยืมหลักฐานพย า, ยานเรียกว่าสัญญาสัญญาอะไรก็เรียกไปตามนั้นแล้วต้องถือนะต้องยึดนะนี่เรียกว่ามีสัญญาเห็นไหมไม่มีแล้วมันเป็นโทษนะถ้าผิดสัญญาเมื่อไหรนะ่ลงบากนะแต่สัญญาสัญญาใจที่มีอยู่ในใจมันไม่ได้แค่นั้น สัญญาข้างนอกแค่ผิดแค่เอาเรื่องจับข้อคุกข้อตรานนี้เก็ออกแต่สัญญาที่อยู่ในใจมันแกะไม่ได้ออกไม่ได้มันติดมันทําให้เราวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ hmm. มันออกไม่ได้เมื่อออกไม่ได้ท่านเรียกว่าสังสารวัฏมันออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มว่าจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ ผู้ใดก็ตามถ้าออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ท่านหมยายได้ว่าวัตตะทาำได้ว่าวิวัตตะเมื่อใจมันเป็นวิปะตะแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันคงอารมณ์คงไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการนึกคิดปูงแต่งในขั้นสูงหลังที่เราปฏิบัติแล้วเกิดมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียว เป็นผู้รู้จากที่ตัวรู้กลายเป็นรู้ตัวรู้ตัวเป็นตัวรู้หรือแต่ผู้รู้คือพุทโธมันมีหน้าที่รู้รู้อะไรรู้การเกิดรู้การดับในทุกเรื่องแม้แต่อารมณ์สัญญาความรู้สึกตัวคิดตัวแต่เกิดขึ้นโยสังขารที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับที่มันเกิดดับก็เพราะมันปุงไมันเกิดสังขารกันปรุงมันแต่งมันต่อมันเติมเพิ่มไปเรื่อยๆมันไม่ชุด จิตถ้าเป็นพุโทโธคือเป็นผู้รู้มีผู้รู้แล้วมันก็แค่รู้แล้วก็วางแล้วก็ดับเคยพูดอยู่เสมอเมื่อไหร่ปีไหนวันไหนเวลาเรื่องก็จะพูดอยู่เสมอว่าอารมณ์ที่เรียกว่าวิปัสสนานัน้นมีลักษณะมันก็ไม่ต่างกันคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทุกเรื่องให้รับรู้ มันตั้งอยู่ก็แปล ว, ว่ามันปรากฏคือมานใจให้พิจรารณาทุกนั้นก็จะดับสุดท้ยคือเกิดดับนั่นเองรู้กันเกิดกันดับกันเกิดัดับเหมือนความรู้สึกนึกคิดปุงแต่งของเราความรู้เกิดขึ้นคือรู้เรื่องความโลภหรือความโกรธเรื่องความขุ่นหลงแล้วมันค่อยๆดับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ใหมันมีนะแปล ว, ว่าใจมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมันมีดีแล้วมันเป็นประโยชน์ ถ้าเราใช้มันเป็นประโยชน์แต่ใช้ให้มันไม่เป็นประโยชน์มันก็เป็นโทษเหมือนมีดนี่แหละมีดมันไม่ได้มีคนไม่มีโทษเลยมันจะเป็นคุณจะเป็นโทษก็ต่อเมื่อคนนี่เเอาไปใช้มีดดีๆไปฟันหัวคนไปแทนคนน่ะมันเป็นโทษแต่ไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นคนแต่คุณหรือโทษมันไม่อยู่ที่มีด มันอยู่ที่ผู้เอาไปใช้ใจเรานั้นก็เหมือนกันมันจะเป็นคุณมันจะเป็นโทษก่อต่อเมื่อเราอาศัยใจใช้ใจของเราเป็นประโยชน์คือใช้จิตอันนี้เป็นประโยชน์แต่ใช้เป็นโทษมันก็เกิดโทษเหมือนั้นอย่เป็นโทษใครถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วอย่าไปโทษปัจจัยภายนอก โทษจิตโทษใจของตัวเราเองเพราะเราใช้ไม่ถูกทางทีเราใช้ไม่ถูกทางก็เพราะเราไม่เคยฝึกไม่หัดก็คือปฏิบัติใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นประโยชน์คมมีดมันก็คือของกลางถ้ารักจิตจานี้เป็นประจำอยู่เสมอมุจิตเข้าสู่พิจรารณา จนมหมดกําลังคือเหนื่อย <c oughs> แล้วก็พักคือพักขิตคือทําสมาธิใหม่ทำสมาธิยังไงก็หนดเหมือนเดิมก็เหมือนกับเข้ายังไงก็ออกอย่างนั้นออกไปยังไงก็เข้าอย่างนั้นเหมือนเข้าวัดเข้าวัดสันนิษฐานแล้วเข้ามายัางไงเวลาออกไปเข้าไปอย่างนั้นเหมือนเดิมเหมือนกันก่อนที่เข้าค่อยยไงเข้าทางลมหายใจจะมองกันไหมมาเข้าถึงใจเข้าถึงใจ คือจิตสงบนั่นหละมันจะออกก็ตอนอย่างไหนมันก็ออกกายก็เข้าออมาอยู่นะี่คือกําหนดให้มันรู้กายวัะ น, นั้นมันจะออกจาการสมาธิให้กําหนดกายรู้กายรวมเพราะทางอินตทรชัยคานี้เขาบอกกาหนดกายรู้กายคือให้กำานดกายแล้วก็ให้รู้กายแล้วค่อยทำลงให้ใจใจากที่มันละเอียได้มันจะยาบทาใหม่ทําใจใมันสงบใหม่คือพักพักยก ซือรบตบสึกกันมานานพักยกคือทํอคอคอน า, นมม า, ว า, าทความรู้สึกใหม่คือฝนใหม่คือมีดใช้ไปนานมันเลิมไม่ได้เรื่องละเอามาฝนใหม่ทําความรู้สึกใหม่นั่งสมาธิใหม่พักไม่ใช่ว่าคิดอยู่ตลอดปัญญาให้มันเกิดปัญญาอยู่ตลอดคือพักเหมือนคนเราธรรมชาติของมันสอนเราเหมือนกับชีวิตที่เป็นหยุดประจําวันกับพวกเราจิตกับกายเหมือนกัน กายนั้นทางานมากๆเข้าไม่ได้พักเลยไม่หลับไม่ได้นอนเนี่ยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันล้าคือไม่มีกำลังจะต้องเอกายหน่อยนี่งหน่อยถ้าเป็นกลคืนคือหลับยาวเลยอันนั้นคือการพักของกายจิตนี่คือเหมือนกันมันทำงานทำงานงานตลอดเวลามันไม่เคยพักคือจิตไม่เป็นสมาธิไม่สงบใช้มันตลอดเวลามันก็เหนื่อย มันก็ล้าลคือไม่มีกำลังคนไม่มีกำลังจะไปทำอะไรได้คนไม่มีกำลังจะไปยกท่านไม้ท่านฟืนอย่างอื่นได้อย่างไรก็กำลังมันล้ามันหมดกาลังพักพักจิตใหม่ทำาาวสอยไหอยู่งั้นถ้าเป็นไปได้ลึกยิ่งดีคืออัปปนาสมาธิคือกำหนดกายจนกายนี่หายไปเลย ก็คือก็แบบจคือจิตมันหลับนั่นแหละคนยังไงจิตมันพักนั่นแหะเหมือนกับกายนอนไปเลยคือไม่ไม่ต้องการที่รู้ต่างตาต่างหูต่างปากต่างอะไอื่นเลยนอนคือนอนดูกับภาพภายในดิมิตนิมิตนิมิตตัวนี้เวลาเป็นสมาธิท่านจึงไม่เรียกว่าฝันท่านเรียกว่าดิมิตแต่เวลาคนนอนหลับเขาเรียกว่าฝันไม่เรียกว่าดิมิตมันก็คือดิมิตนั่นแหละ แต่มันไม่สแสดงแสดงทางตาทางหูน่เองจิตข้างเราเมือนกันตับควาสสงบไปพักจิตผู้จิตไม่ได้ถอนออกมาได้จิตจะมีกำลังอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาพิจารณาอีกตรงไหนยังไม่ชัดก็ยกขึ้นมาถ้าลมโดยอมีมิตรรูปอะไรต่างๆที่มันปรากฏกำหนดให้มันชัดคือใ้แห้พูดย่าไงคือขยายช่นลมหายใจ ขยายให้มันหยาบเข้าน้ำเข้าใ้ายาขึ้นน้อยลงหรือภาพอะไรก็ได้ที่เป็นนิมิตใช้ให้มันเกิดแต่อย่าไปติดนะคือใช้แล้วก็คือปล่อยให้มันดับให้เข้าใจเสมอว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับท่องเอาไว้ในใจอย่าไปอยู่กับมันตั้าติดหนักกว่าเก่าติดภาพอะไรกยได้ที่ข้างในหนักกว่าเก่านี่เขาเรียกว่าติดดีนะติดไม่ดีลําบากอยู่แล้วถ้าติดดีนักกว่าเก่า จิตมันยึดสิ่งอะไรอันจึงหนักเลยตอนนี้ไม่เป็นไหนยึดความสงบกับติดอยู่ในความสงบนั่นแหละมันไม่เป็นปัญญามันไม่เกิดปัญญามันไม่แหลมมันไม่คมทําอะไรไม่ได้มันก็แต่สงบมันคนนอนหลับคนนอนหลับไม่มประโยชน์เลยหมายความประโยชน์ต่อหน้าที่การงานไม่มีเลยไม่สมาริหาเห็นอะไรได้คือไม่สมาธิอืนทองทรัพย์สินไม่สมาธิเงาะเลยด้านในขณะนอนหลับเหมือนกัน จิตในขณะที่พักที่ลิศสุดมันก็ไม่มีอะไรมันก็ได้พักคือได้กําลังแต่มันไม่ได้สติปัญญาอะไรขึ้นมาเลยเพราะมันพักก็ไม่เป็นไรขอให้จิตได้พักทําอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาเท่านี้เมื่อจิตมันได้ที่จะยกอะไรขึ้นมามันก็เป็นอัปเป็นธรรมไปหมดคือจิตเป็นกลางแล้วจิตมันเป็นหนึ่งแล้วมีเรเป็นเดียวทําอะไรก็ได้จิตมันมีกําลังพร้อมที่จะยกได้ทุกอย่างแม้แต่ รูปร่างกายธาตุสี่ขันธ์ห้าของเราที่มีอยู่มันก็ยกได้ม่นยกได้มันก็จะเบาโฮซึ่งต่างกับคนเราทั่วไปมันหนักมันยกไม่ได้มันข้ามไม่ได้สุดท้ายเสียงแล้วมันก็หนักมันก็ทับมันก็ถมจิตใจเราวันนี้คือลักษณะของคนที่เคยฝึกแล้วกับคนที่ไม่ฝึกกันเลยมันต่างไปในสุดท้ายไปคิดว่าโอมันการเป็นอหนักอกหนักใจเพราะมันหนัก มันกดมันทับใจเร็คืออารมณ์ธรรมาชาติของคนเราเนื่องจากเวลาแขกที่มาเราอยู่บ้านแขนกคนน้งไปแขกคนนี้มาอืมเมื่อวานก่อนไปผู้ที่ลํปาปากเราพูดเรื่องนี้ก็เราก็มัวแต่รับแขกถ้าอยู่บ้านมัวแต่รับแขกอย่างเดียวรับแขกก็คือกิเลสที่มันจอนมาทุกวันเดียวคิดนั้นคิดนี้คิดนั้นั่นคือแขก น, นั่นคือกิเลสที่นมา ทต่ทั้งที่บ้านเราก็มีห้องนอน่ะแต่เราไม่นอนมัวแต่รับแขกแขกนั้นทั้งามันมันหนักมากๆ ก, กันถหมันในขณะจะรับแขกมันไม่สบายมันลําบากก็ห้องปล่อยทุกข้ก็มีให้ปล่อยคือห้องสุขานั่นแหละทีเรียกห้องสกที่จะได้ห้องส่วนห้องแรกแล้วแต่เปียกห้องน้ำไปแล้แต่แต่มันก็คือห้องปล่อยทุกห้องปลดทุกเมื่อทุกมันมีเราไม่ออาไปปล่อยพอไปเก็บเอา ไ, ไ, ไว้เห็นไหม ในบ้านเนี่ยมันบอกเป็นธรรมะชั้นยอดจริงๆเลยให้นึกถึงอ๋อถ้ามันทุกข์ก็เพราะเราไม่ปล่อยมันรำลับทุกข์หนักทุกเบาเรายังปล่อยทุกหนักก็เอาทุกหนักปล่อยทุกเบาเอาทุกเบาปล่อยเรียกว่าหนักเบาแต่ยังไงมันก็ต้องปล่อยไม่ว่าหนักก็ดีเบายังไงก็จะต้องปล่อยใจเรานี่ยก็เหมือนกันเราจะเป็นทุกหนักทุกเบามันก็จะต้องปล่อยแต่ทีนีจิตไม่ฉลาดมันไม่ปล่อย มันจะปล่อยยังไงอ่ะบ้านเราประเน่อยก็คือเขามีห้องนอนพอนอนเสร็จมันก็ไปมาแล้วอจิตก็คือเหมือนกันห้องนอนของจิตคืออุเบกขารมทําใจให้ว่างอารมณ์วางอารมณ์ทั้งหมดนะแต่เราไม่ว่างเลยก็คือไม่นอนเลยห้องนอนมีให้นอนไม่นอนออกมารับแขกคือออกมาห้องรับแขกเดี๋ยวคนนั้นไปเดี๋ยวมาต้อนรับ อยู่อย่างนั้นคือมารับแขกคืออาคันตุกะก็คือกิเลสนั่นแหละที่มันเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปสู่ใจเราแต่เัาไม่เคยเป็นประเคยกันเมื่อรับนานๆออกทําความสงบก็คือทานอนทำสมาธินั่นคือปิดประตูไปตามรับแขกแล้วจิตมันจอสบายกายมันได้พักนี่คือวิธีพักจิตส่วนพักกายแล้วรู้ เราก็ห้องนอนสบายไม่อยากให้มันรบกวนละห้องนอนเถือไปทําสวรรค์ใน้องส่วนตัวเลยจิตนี่ก็เหมือนกันเมื่อจิตมันวางวุ่ว่นเอาพาักพักห้องนอนคือสมาธิแล้ววางอารมณ์ทั้งหมดเรียกว่าอุเปกาอารมณ์คือเอกกาตาลมนี่เองคืออะไรเป็นหนงมันก็จะสบายมันก็จะเบาไปหมดเลยไหมดเห็นไหมเมื่อจิตมันถอนออกมาคือรับแผลอีคือรับรู้ซึ่งมันจําเป็น ไม่มีใครนอนตลอดชีวิตไม่มีใครนั่งสมาธิตลอดทั้งวันทั้งคืนอันนี้คือความจริงพอถอนจิตออกมามารับแขกก็คืออารมณ์กิเลสที่มันจะก็พิจรารณาแขกมีไว้ต้อนรับมีไว้เราพิจรารณาถ้าไม่มีแคกเลยเข้ามาบ้านเราเราก็จะไม่รู้เลยใครเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสตรอเหมือนกันจิตหรือว่ากิเลสที่มีรใจเจ้าเราเคยพิจรารณาเลยเราจะไม่รู้ว่ามันมีคุณมีโทษอย่างไร เราไม่เคยรู้เลยเนี่ยที่อยู่ในใจของเราเร็วหัวใจเสียห้องอยู่ในเราเต้องถามัทุกวันเนี่ยในหัวใจเสียห้องเราอยู่ห้องไหนห้องหนึ่งคือเมตตาห้องสองกรุณาร่างสามมูติตาห้องสี่เบขานวันมหนึ่งมราอยู่ในห้องไหน เมตตาสแสดงว่านี่คือโครงสร้างนะ เ, เพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิคือเสร็จแล้วก็ต้องแผ่เมตตาให้คนอื่นและตนเองรูงตอนอ้นตออัมพตุกิโต โ, โหมหมาคือต้องการให้มีเมตตาเมตตาเนี่ยเป็นโครงสร้างทั้งหมดเหมือนร่างกายเราถ้าร่างกายเราไม่มีเมตตาต่อกันแปลว่ า, า, าโครงสร้างไม่ดีบ้านไหนโครงสร้างไม่ดีก็คือไม่มีเมตตาเองมันก็พังคนอื่นอยู่ไม่ได้ร่างกายในยเหมือนกัน ถ้าเราไม่มีเมตตาต่อกันอยู่ไม่ได้พาง น, นี่ความสําคัญของเมตตาความก ร, รุณาความสงสารที่จะช่วยคนนั้นคนนี้พ้นทุกโดยไม่ช่วยตัวเราเองนี่คือความก ร, รุณาแต่จำเป็นต้องมีบ้านต้องมีใจเราเนี่ยที่ป็นต้องมีเพราะเรารู้เคยพูดอยู่สมอใจเรามีเสียห้องแต่ผู้นำบุรีรัติอุเบกขาทั้งสี่วันวันหนึ่งเราเลือกได้เราะจะอยู่ห้องไหนให้นาะนที่สุด อยู่ห้องในสบาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสบายที่สุดคือห้องอุเบขายนันะซึ่งจิตมันไม่เคยเป็นกายนะมันพักแต่จิตมันไม่เคยพักนะเห็นไหมเพราะเราจึงลำบากเราจึงเดือดร้อนเพราะเพราะเนี่ยเพราะจิตมันไม่ได้พักมันไม่เป็นเอกขต า, ารมเลยเราก็มัวไปสะละวนสมาธินั่นนี่นู่นคิดอยู่ข้างนอกตอลอดเวลา มันการนับหนึ่งหนึ่งสองสมสนั่งกันบริกรรมของเราก็เป็นอย่างไงถ้าคิดนั้นนั่งสมาธิไปนั่งจริงแต่ว่าความรู้สึกทุกคิดปรุงแต่งไปทางอื่นไปเรื่อยเนี่ยกเหมือนการนับอ่ะนั่งยื้เฉยก็เหมือนกัรนับตัวเลขกนับหนึ่งสองสามตัวเมันก็ยิ่งห่างไปเรื่อยคิดไายิ่งห่างขึ้นนับแต่ถ้าเหลือแต่อารมณ์เป็นเดีขึ้นหนึ่งตัวเดียวเนี่ยจบเลย มันต้องอะไรเป็นับต่อมันก็จะรู้เออมีอันเดียวใช่ไหมในความสําคัญของจิตที่สงบที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวนั้นถ้าเราฝึกตอนนี้ทําตัวนี้ให้มันชํานาญให้มันเกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจําวันต้องบอกว่าประจําวันในวันวันหนึ่งคืนหนึ่งต้องรู้จักให้สติอยู่ใกลดตู้ที่สุดท้ายก็มีอารมณ์แบบใดมันอยู่กับอารมณ์แบบหนึ่งและจิตของเราจะแหลมคมเหมือนเป็นอาวุธมีด ถ้าเจดมังแหลมคมแล้วเนี่ยอาวตัตมีดอยู่ในมือมังแหลมคมมันก็สามารถทธิฟาดฟันกิเลสของคิดการพูดการกระทําของตัวเราเองนะี่ปาเดเชิดอเชิญแทงทะลุปุโปรงท่าจนจะรู้ว่าท่านจึงบอกว่ามีความรอบรู้ในกองสังขารด้วยปัญญาคือด้วยมีดนี่แหละที่มแหลมคมนี่แหละแต่ถ้าเราไม่รู้ในกองสังขารด้วยปัญญามันกั็มีดนี่เม่ทือท่อๆอย่างทอะไรไม่ได้มันก็เป็นมีดเหมือนกัน เป็นปัญญาเหมือนกันปัญญาเล็กน้อยช่วยอะไรเราไม่ได้อันนี้คือสาระสำคัญในการปฏิบัติของเราเพราะนั้นถ้าเราทำตามอย่างนี้เบื้องต้นตัวหนึ่นวันก็คือหนึ่งวันพระก็คือพลานาคุณท่านคือพุทธโธธรมสัโคเสร็จแล้วก็นึกถึงพระเจ้าแล้วก็เลยจะพุทธโธตรมสัโคแล้วพุทโธเดียร์หายใจสาอย่าง แ้วมีอารมณ์เป็นอรก็ยกจิตขึ้นมาพิจารณาแล้วก็จะมีกําลังมีพระลังมันสติปัญญาก็จะสมบูรณ์จากสติที่ละเละ็กที่ิดที่ลน้อยทีละเรื่องเช่นสติอยู่กับกายอันนี้เรียกว่าแยกละที่อยู่กับเวทนา น, นี้คือแยกสติกายเวทนาทจิตทำถ้ายกจิงใดจิงมามันก็เป็นได้แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงใดจิตห น, นึ่ง มันไม่ได้เป็นมหาสติเป็นสติเหมือนกันแต่ไม่เรียกว่ามหาสติถ้าเป็นมหาสติต้งมีอารมณ์เป็นอันเดียวเรียกว่ามหาสติแปลว่าสติใหญ่ถ้าสติใหญ่เกิดขึ้นนี้มันจะคลุมไปหมดมันจะรู้มันจะแจ้งข้อมันเองอย่ามากของมันเองมันจะรู้ข้อมันเองครับว่ารู้นั่ก็คือวิชานเอง มันจะเป็นวิชาเกิดความรู้อะไรที่เรามาไม่รู้มันก็จะรู้อะไรที่ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติปรับจัดตงังรู้เฉพาะตนมันนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆฝึกประจําอยู่เสมอเราก็เป็นลักษณะยอย่างนี้นก็ใช้อันนี้เป็นประโยชน์อู้อนี้เป็นประโยชน์แล้วเราอยู่กับโลกก็ได้อ่าอยู่กับโลกก็เออไม่เป็นไรนะโลกเขาเกิอยู่กันนับ การนก็บอกกันแล้วมันมีที่สิ้นสุดอยู่กับทําก็อยู่กับอารมณ์อะไรนหนึ่งอะไรก็ได้ที่จิตให้ผูกมันอยู่กับอันใดอันหนึ่งถ้าเราจะอยู่กับโลกก็ให้เป็นอย่างนั้นนะถ้าอยู่กับธรรมก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโลกกับธรรมโลกกับนามมันอยู่ด้วยกันก็ให้เข้าใจกันอยู่อนี้แล้วเราก็จะเข้าใจโลกเข้าใจธรรม ก็อยู่กับโลกก็ได้อยู่กับธรรมก็ได้ไม่เดือดร้อนคือไม่เดือดแล้วก็ไม่ร้อนคือใจเมื่อมันไม่เดือดมันไม่ร้อนใจมันก็จะเย็นนั่นคือดับแต่ก็เย็นบินิฟ้ากันเคยกล่าวนํากลางตนว่ากายมันเย็นนําลําบากนะเกิดรูปไปเก็ดเจ็บถ้าใจเย็นนะโอ้สบายจริงๆมันเหมือนกายไปนั้นก็ให้รู้จักกายเย็นแล้วก็ใจเย็นทุกคน แต่ถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่มีทางใดที่จะเย็นที่จะดับได้เลยอันนี้คือวิธีทาให้ใจเย็นใจดับดับได้มากได้น้อยแล้วแต่เราเอาเชื้อที่มันเติมเข้าไปฟื้นเข้าไปถ้าเชื้อออกเยอะมันก็เย็นเยอะ อ, ออกน้อยมันก็เย็นน้อยคือร้อนอยู่นั่นเองนั้นถ้ามีอยู่แล้วก็จะไปเติมถ้ามันหมดไปโดยอัตโนมัติถ้าเราไปเติมเข้าอีกฟื้นอย่าไปใส่ฟื้นเข้าไป เดี๋มันก็ดับโดยแต่มันทับไปมันจะดับจะดับไปเติมเข้าไปอีกมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกเห็นไหมจิตมันก็ไปดับสักทีมันกิเลสมันไม่ดับสัทีมันไม่รู้จักความดับสักทีนะแล้วใครเดือดร้อนเราก็เราเดือดร้อนเป็นนั้นกะ็ขอพวกเราทั้งหลายได้นำสิ่งนี้เป็นโอปัาจิกคือนอ้องก็ทำการเองทุก ว, วันฝึกอย่างนี้เป็นพื้นฐานว่าใครมาใครเขาเขาจะฝึกอย่างเนี้ เป็นประจำจนจนชำนาญมาว่ากำหนดทีเดียวก็ให้ใจมันอยู่ที่สวงอกนก็รู้เกิดพอรู้ขึ้นมาก็มีแต่รู้ก็พิจารณาให้มันกระจางแจ้งในทุกเรื่องก็จะชื่อว่าการดำรงชีวิตอยู่โดยอาศัยสติปัญญาเป็นมหาสติเป็น ม, านมาหาปัญญาเมื่อใดเมื่อนั้นเราก็จะสาบายกันทุกคนก็ขอฝากพวกเราทั้งหลายสําหรับวันพระวันศุกร์วันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้